นาโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตตะนาโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมัตตะนาโมสัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตตะ พอ น, อนกกอมแดกปลากรูมีปลาปลาฟรานตาสมาสัมพุทธเจ้าปลากรูงั้นม <c oughs> <c oughs> าบัดนี <c> ้ <oughs> ได้เวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมา็ต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 และเป็นเวลาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆด้วยอารมณ์เรื่องราวใดๆอันเป็นเรื่องภายนอกออกไปเวลานี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปเก็บอารมณ์ใดๆเข้ามาคิดนึกแม้มันจะมีอารมณ์ข้างอยู่ในจิตพุทธรอขึ้นมา ก็ละในขณะที่มันลงแจงขึ้นมานั้นยาได้ตามไปถ้าตามความคิดความนึกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจิตสังขารจิตมานจิตกิเลสไม่มีที่อิ่มที่พอไม่มีที่หยุดได้ลงแจงไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏะสงสาร วนเรียนอยู่ใน <c oughs> อาการอันเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่ในโลกนี้จะเป็นประเทศใดคนชาติใดภาษาใดก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์เหมือนเหมือนกันไม่มีอะไรแตกแตกต่างกันไป เธอในโลกเหล่านี้มีโลกนับตั้งแต่ผืนแผ่นดินท่องฟ้าอากาศมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อในโลกนี้มีลกูกธรรมชาติมันก็สร้างตามาไว้สำหรับให้ดูลกูกไม่ว่าจะไปที่ไหนลืนตาขึ้นมาก็เห็นลกูกทุกอย่างทุกประการตลอดเวลา ที่ไหนก็เหมือนกันให้รวมเข้ามาว่าเหมือนเหมือนกันไม่กล้องให้จิตใจแส่สายไปหารูปใบรูปหนึ่งเห็นได้ในโลกนี้มันมีเสียงธรรมชาติมันก็สร้างหูไห้สำหรับรับ เ, เสียงเข้ามาที่ไหนมันจะเหมือนกันในโลกนี้มีเสียง มีหูรับฟังเสียงจิต ใ, ใจของเราก็หลงไปตามเสียง น, นั้นน่ะเนี่ในโลกนี้มันมีกลิ่นมีกลิ่นเน้นกินหอมกลิ่นอะไรทุกอย่างนั่นแหละธรรมชาติมันก็ท่าจมูกคานาาักปัสาะรับกลิ่น ถ้ากินดีก็ชอบใจกินที่เม็นก็ไม่ชอบใจมันก็มีอยู่เท่าๆกันอย่างนี้ที่ไหนก็ตามมีเหมือนกันทนี่ในโลกนี้มันมีรสข้าวหวานเผ็ดเท็มอะไรต่อมีอะไรรรมาสรามันก็สร้างลิ้นขึ้นมา เล่นนี่ไม่มีกระดดกอย่าไปเชื่อเล่นรถอาหารการสัมผัสเล่นรถ ด, ดีก็ไปติดใจรถไม่ดีก็ไปเกลียดทงังมันก็วนเวียนอยู่อย่างเก่านี่แหละเจดให้รู้เท่าทันว่าเราภาวนาอยู่จะไม่ให้จิตใจเราหลงไหลใน โลกเสียงกินรสโผทพะโผทพะคือหมายถึงร่างกายที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละมีอารมณ์มากระทบเรียกว่าโผทพะสิ่งที่มากระทบถ้าและดูร้อนก็ว่าล้อนภาวนาไม่ได้ถ้าและดูหนาวก็ว่าหนาวเกินไปภาวนาไม่ได้ ถ้าเราดูฝนกับว่าเปียกหรือชืนเชะภาวนาไม่ได้ไม่ให้มันเป็นมันเท่าๆกันหมดให้รู้เท่าทันว่ามันมาจากจิตมาจากดวงใจไม่ภาวนาให้จิตใจสงบหลังรับตั้งมันเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นปัญญาก็ไม่เกิด จึงจำเป็นต้องมีวิธีการภาวนาต่างๆเนี่เมื่อมีอารมณ์ทั้งห้าโลกเสียงอินรสโสทภะแล้วมันก็ไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตไปคล้องอยู่ในจิตดีใจเสียใจทุกขโทมานัดคับแทนแน่ใจมันก็เกิดอยู่ในจิตนี้ ความจริงจิตนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีพิดนิสิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเรื่องจิตใจเราไปหลงยึดเอาถือเอาจึงได้เกิดความวทมาุกข์โทมนัสทั้แน่นแน่นใจถ้าจิตนี้ไม่ยึดถือเอาสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดดับอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นเอง <c oughs> ทำมาลมเป็นทรมาลมเป็นอารมณ์ของจิตแล้วจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละสมาธิจิตตั้งมั่นไม่พอปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่เพียงพอจิตใจดวงผู้รู้อยู่มันไปตามอารมณ์ที่มากระทบ ไม่สงบนิ่งแน้อยู่ภายในและกำหนดให้รู้เท่าทันก็ไม่ค่อยได้เพื่ยตามธรรมดานั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสกอทภพมันก็เกิดดับอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นเองทีนี้นเมื่อจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิภาวนา ไม่เห็นอยู่ภายในไม่รู้ภายในที่จิตตรงนี้มันก็แสสตายออกไปรับเอาเรื่องราวต่างๆคิดไปภายนอกมากเท่าไรอารมณ์สัญญาในจิตก็ยากออกไปโดยลำดับความทุกอั น, น้อยู่ในลูกนามกายใจในตัวคนเราก็มองไม่เห็นกำหนดไม่ได้ ว่า้าความเกิดมันมีทุกอย่างไรบ้างไม่รู้ทางนั้นเมื่อจิตไม่รู้ว่าโลกนามกายใจของเรานี่เป็นตัวทุกเป็นก้อนทุกเมื่อไม่รู้จิตมันเกยเข้าใจว่าในโลกนี้มันจะมีความสุขซ่อนเล่นอยู่มันจะเอาความสุขให้ได้ ความสพในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่มีอย่าไปแสวงหาเหมือนจะไปเอาเลือดในกระปูในปูนาอย่างนี้มันไม่มีเลือดในมนุษย์โลกเทวโลกพมทโลกที่ไหนก็วาตามที่สมมุติว่าเป็นสุดความจริงมันแค่ที่จริงมันเป็นทุกข์ แต่ที่ว่าสุขนั้นมันเป็นสุขอันเจือพนด้วยอามินิดหน่อยเท่านั้นเองความทุกั์มันเท่ากันกับเต็มโลกมีอยู่ตลอดกาลอันที่เห็นว่าความสุขนั้นมันนิดหน่อยแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นไม่สมาธิภาวนาจึงได้หลงไปตามอารมณ์ของโลก ทางตั้งที่ให้มันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดเวลาดูต่ว่าเราเกิดมาเกิดมานั้นไม่ต้องการความทุกจะเอาความสุขให้ได้ที่ไหนได้มันเต็มไปด้วยทุกเพราะเกิดมาแล้วชร า, าความแก่มันแก่ขึ้นหรือว่าจเจริญขึ้นหมดจากแก่ขึ้นมันก็ เทือมลงไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้เวลามันเกิดขึ้นในชอบพอพอใจแล้วเวลามันเจ็บไข้ใดป่วยเวลามันจะแตกจะทำลายไม่ชอบใจแล้วไม่อยากได้แม้จะไม่อยากได้ก็ตามมันก็ได้อยู่ดีๆ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วอะถ้าเกิดมาแล้วมันต้องมีทุกอย่างนี่แหละแต่เมื่อผู้ยังไม่เห็น <c oughs> ไม่รู้ไม่เข้าใจภายในก็มาเห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสบายความจริงมันไม่ใช่ความสุขสบายในโลกเรานี่นะ ถ้าจะว่าถึงทางที่สงบระงับทางที่จะไปสู่สันติสุขในทางพุทธศาสนาจริงๆนั้นความสุขทางหลายแหล่ที่ <c oughs> มนุษยสโลกเทวโลกพมมโลกว่าเป็นความสุขนั้นมันไม่ใช่สุขจริงมันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาแต่ก็สติปัญญามองไม่เห็น แล้วว่าปัญญาเรายัางไม่ได้เอียงพอางการไตรกรองทีนิดพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันยังไม่เทียงพอก็เลยกลายไปว่าเป็นความสุขแท้จริงไม่ใช่ความสุขมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นยังว่าตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งที่เกิดมา ความจริงนะมันเกิดมาเป็นคนคนเดียวไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคารือหัดและนักบวชมันก็เป็นคนคนเดียวเป็นหญิงก็คนเดียวเป็นชายก็คนเดียวเพราะความไม่รู้เท่าทานนั่นแหละมันเข้าใจว่าเก็นความสศก เมื่อคนสองคนนั่นแหละมาร่วมอยู่ด้วยกันอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้มากมายเลยทีเดียวเกิดเป็นลูกเกิดเป็นหลานเกิดเป็นเหลนเป็นหลอนดิ้นลนวุ่นวายไปตามอาการที่มันหมุนเวียนไปถ้าดูให้ดีมันไม่ใช่ความสุด มันเป็นความทุกข์เพิ่มทุกขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราภาวนาดูให้ดีนะเรียกว่าเราอยู่คนเดียวภาวนาพุทโธอยู่ก็เหมือนเราหิ้วของนิดหน่อยตอนนะั้นแหละทีนี้ถ้ามีเพิ่มขึ้นมาแล้วมันหากแล้วไปหากแล้วก็หามหลเหมือนหามเสาหนั ก, นกๆอย่างนี้น ัานทางห้านมันเพิ่มขึ้นมาทีนี้เมื่อมันเพิ่มมากเข้ามากเข้าขบบนว่ามันทุกข์บนมันก็หนีไม่ได้พ้นไปไม่ได้ที่พ้นนั้นไม่ใช่ที่ภายนอกมันเป็นที่ภายในที่พ้อนออกก็คือว่าที่ภาวนาพุทโธพุทโธรวมเิีรวมใจเข้ามาให้สงบหลังมัด เมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วจนมีปัญญาความจะเหลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนาาัตตาไม่ใช่เพียงแค่คำพูดมันเป็นความเห็นแจ้งภายในจิตว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เพียงแท่แน่นอน ให้รู้ไว้ในใจแม้จิตสังขารจิตมารจิตกิเลสมันจะกลงแฝงจิตเขียนอะไรลงไปว่าเป็นของมัน่นคงเท้าวรยั่งยืนมีความสุขอย่างไรก็ตามต้องให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่ความสุขมันเป็นเรื่องแห่งความทุกข์สิ่งเหล่านี้เพราะว่าจิตมันยังไม่รู้ พระพุทธเจ้าทุกทุ ก, ทกระองท่านจึงบำเพ็ญธารมรักษาศีลภาวนาพระพุทดีปฏิบัติชอบพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านผู้ค้มทุกไกไในวัษาสงสารไปแล้วท่านก็บำเพ็ญธามรักษาศีลภาวนาปฏิบัติมาโดยลําดับลําดับ ไม่ใจว่าไม่ทำอะไรมันเกิดมาเองเก็นไปเองไม่ได้อย่างการปฏิบัติบูชานั่งภาวนาอย่างนี้ต้องประกอบกับทาให้เกิดให้ดีขึ้นเจตมันไม่สงบกระนับไม่รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านก็ให้นึกบริกรรมภาวนา มีพุธทธอพุธทธอเป็นต้นหรืออย่างอื่นใดเมื่อเรานึกเราจะเริมแล้วได้รับความสลดสังเรศในชาติลาพยาทิมลณะนี่มันรวมจิตใจเข้าไปได้สงบนิ่งแน่วเต็นดวงเดียวได้ท่านก็ให้ทำอย่างนั้นให้รวมอย่างนั้นเข้ามา ไม่ต้องแคร์สายไปที่เอื่นให้ลำบากลำบนเพราะว่าในร่างกายของมนุษย์คนเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมันมีดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในคณะนี้แหละเป็นใหอยู่ในโลกประฐันนี้เป็นใหเป็นประธาน สาเเลจแล้วได้ดวงจิตดวงใจดวงนี้ท้งนั้นถ้าจิตดวงนี้บำเพ็ญบุญกุศลมีทานศีลภาวนาไม่ว่าจะเกิดมาภบใดชาติใดพบก่อชาติก่อนที่เคยบำเพ็ญมาแล้วก็บำเพ็ญต่อในภพนี้ชาตินี้อีกให้เห็นว่าบุญนี่แหละ เป็นเครื่องพยมทรายวาจาจิตของคนเราแต่แลับบุคคลให้เยขึ้นให้สูงขึ้นถ้าผู้ใดเกิดไปเห็นว่าการทำบาปเป็นความสุขความสบายนั่นแหละมันต้องลงไปโซ่ที่ต่ำใจก็ร้อนไหมเดี๋ยวตกนรกทั้งเป็น เลืมภาวนาพุโทโธในใจก็ตกนรกทางเป็นคือว่าเจิตใจมันร้อนมันร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยลาคกินาไปคือลาคะร้อนด้วยโทสกินาไปคือโทสะร้อนด้วยโมหะกินาไฟคือโมหะมันเผาผ่านใจิตใจคนเราตัวเราให้เล้าร้อนอยู่ตลอดเวลา ความเล้าล่อเหล่านี้มันเพราะกี่รพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเพราะว่าเลิกได้ละได้กล่อยได้วางได้เท่าไร่ก็เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเหมือนพระอริยสงสาวกเหว่ทั้งหลายแม้องคพระสากดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ก็บำเพ็ญ <c oughs> ทานศีลภาวนานี่เอง จนได้ปัญญายานอันลวิเศษขับกิเลสละกิเลสถอนกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร้อมทังวาสนาอาคินราพุทธเก้านั้นท่านไม่ใช่เคียงแต่ว่ารักเทศนาได้พูดได้เท่านั้นไม่ใช่เพราะองค์ทำได้ด้วย คำว่าทําได้หมายถึงละกิเลสได้พระองค์เอามาสอนมนุษย์และเทวดาว่าความโกรธไม่ดีคือพระองค์กําหนดรู้แจ้งแล้วละได้แล้วซึ่งความโกรธนั้นความกอดความขัดเคืองไม่มีในใจกับพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงเอามาสอนให้คนทั้งหลายพุทธภาษาโกทั้งหลาย ไม่ให้มาเล็ดมาถืออยู่แค่นั้นให้ลู้จักวาให้ลูกจักปล่อยให้ลูกจักลักจักถอนทำใจดวงเดียวให้แก้วก้าสา ม, มาอาฐานตัดบวงหวงอะไรอดีพนาคตความสุขทุกใดๆก็ให้เลิกได้รักได้ ทำไมจึงสอนให้ลักก็เพราะว่าถ้าไม่เลิกไม่ลกแล้วไม่วางลงไปแล้วมันมีแต่เพิ่มความทมาุกข์โผม่มัดคับแค่นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาใจก็ไม่เย็นใจก็ไม่สบายร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คืว่าไม่สงบตั้งมั่นลงไปในหัวใจของตัวเองแล้วก็มักจะไปเห็นผู้อื่น คนอื่นเป็นผู้ไม่ดีเนคือว่าตัวมานะทิฏฐิอันนี้อยู่ในใจผู้ผู้ชนคนเราทุกคนไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีเพิ่งมานี่มันมีมาตั้งแต่อันเนกข้าคือว่านับพบนับชาติไม่ถ่วนแล้วจะนับเป็นกับเป็นแผ่นดินตั้งแผ่นดินทีละตั้งก็ตามทีละขั้งก็ตาง มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดตาอยู่อย่างนี้ล่มหลงอยู่อย่างนี้เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ทําความเดือดร้อนให้แก่กันและกันอยู่อย่างนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละ ก, กระอกเมื่อท่านบำเบรรพ็ญบารมีสามสิบพัฒบริบูรณ์แล้วได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้ว ตั้งพระไทยเพื่อลือผลสัตว์ขั้งมนุษย์กับเทวดาอินทร์ก็ช่วยบอกช่วยสอนแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างไม่ใช่พระกุทธเจ้าพูดได้แต่วรรคไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ตัดว่าความโกรธไม่ดีก่อนที่พระองค์จะตัดว่าความโกรธนี้ไม่ดีแน่ละอง์ละได้แล้ว ไม่มีความโกรในคนในสัต์ในวัตถุธาทั้งหลายแม้จะมีเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งขนาดไหนก็าตามความก่อความขัดเคืองในน้ำะทายใจพระพุเสเจ้าไม่มีเนอุเบกขาจิตวางเฉยโยได้ในหัวใจดูในข่าวที่พระเทวทัต คอยไปเตรียมก้อนหินไว้เพื่อจะเอาให้พระาศาสดานิพพานหรือว่าตายกับก้อนหินของเทวทัตมันเตรียมไว้เสร็จพอได้เวลาพระองค์ลงป่าเสด็จลงไปบินธรรมบมันก็กลิ้งก้อนหินหมายจะเอาพระพุท ธ, ธเจ้าให้แหลกลาย แต่ก้อนหินก็เหมือนมีจิตมีใจมันไปเสียอีกทางหนึ่งขนาดนักถึงปานนั้นท่านก็ตั้งใจได้อยู่ท่านไม่โกรธให้พระเทวทัตท่านช่วยได้พระเทวทัตมีหน้าที่ทำก็ทำไปพระองค์ก็สเสด็จไปดินขบาดได้ตามเคย นั่นแหละเหตุการณ์ที่จะให้พระพุทธเจ้าโปรธท่านก็ไม่โกรดเหตุการณ์ที่จะให้พระพุทธเจ้าโลภอยากได้เหมือนใจคนเราก็ไม่มีเหตุการณ์ที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อเวลาอารมณ์ต่างๆกระทบกระเทือนเจตใจของพระองค์ก็ไม่มีไม่มีหลง โลยอย่างไรแจ้งอย่างไรพระองค์เลิกพระได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นบางคราวบางสมัยมีเขาจ้างด่าก็มีไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปบินทบ่า ท, ที่ไหนก็ตามด่าไปข้างหลังข้างข้างนั่นแหลจนพระอานนท์ผููตามเสด็จไปทีหลัง เดือดล้อนวุ่นหวายความจริงเขาก็ไม่ได้ด่าพระอนุนด่าพระพุทธเจ้าพระอนุนเมื่อขับเครื่องขึ้นมาเต็มที่ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปเมืองอื่นที่เขาไม่ด่าเถิดพระองค์ก็ย้อนพระอนุนว่าอนุนเมื่อไปเมืองอื่นที่อนุนให้ไปนั่นแหละ เกิดเขามาด่าอีกเราจะไปที่ไหนอีกก็ไปที่อื่นอีกที่อื่นเขาก็ตามด่าอีกอนนท์จะไปไหนก็อหรือจนพระพุทธเจ้าเตือนท่า น, รา น, นาาาาพระอนนท์ว่าใครใครก็ตามจะเบียดเบียนพระคาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วในโลกนั้น ไม่มีมนุษย์ไหนที่จะมาฆ่าทำลายตายได้ตามใจหวังอย่างมากที่สุดก็เหมือนพระเทวทัพน์สกเก็ตหินที่มันแตกมากระทบพระบาทพระพุทธ เ, เจ้ามีเลือกหอขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าพระอราหาันตาเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์เขาเบียดเดียนจริงๆก็ตายได้ เพราะว่าลิบเด็กเ ห, หอเขินเดินอากาศไม่ได้ส่วนพระพุท ธ, ธเจ้านั้นมีครบทุกอย่างดูตัวอย่างในเวลาพระองค์ไปโกรธทรมานองคุรีมานองคุรีมานนี้ตามข่ามนุษย์ไม่ว่าใครแหละเธอว่าอาจารย์โกหก หมายจะให้ลูกผิดคือองค์ุลิมานไม่ตายให้คนอื่นเขาฆ่าจึงว่าคิดเป็นโอบายว่าวิชานั้นมันยังมีอยู่วิชานเ่ยแต่ว่าต้องได้นิ้วมือคนมาทั้งคันหนึ่งจึงจะสอนได้เด็กนุมมันก็จะเอาวิชานได้ดาบมันก็ไล่ฆ่าไล่ฟังเอาห้อยเป็นพวงมาไล่ไปจะเอามาเสนอเรียนวิชานั้น เมื่อพระพุทธเจ้าเข้าฌานเข้าสมาบัติก็เห็นพระเทวทัตให้เห็นไอ้องคุลิมานหาตามล่ายังเหลืออีกคนเดียวก็จะพอพระองค์ก็เสด็จไปที่ให้ปรากฏ องคเลมานเห็นพระพุทธเจ้ามันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระว่าคนมันจะเอานิ้วมือให้ได้ก่อนจะเอานิ้วมือนั้นไม่มีใครจะไปยื่นมือให้มันตัดเอาได้มันฆ่าซะก่อนตายแล้วก็ตักเอาตามต้องการทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีกิตติลิทธิทำให้พระเทวาะ อ, องค์คเลมานนั้นไล่จนเหนื่อยซะก่อน ไล่เท่าไรก็ไม่ทันชวนจะทาก็ห่างไปจนเหน็ดเหนื่อยร้องบอกว่าให้หยุดก่อนพระองค์ก็ตอบว่าเราหยุดแล้วเธอไม่หยุดยังแดกดาาจะฆ่าคนอื่นหยุดยังไงก็ได้สติขึ้นมาก็เลยคว้างดากขึ้นเข้าไปกากป่าพบากและพุกตึกยา พระองค์เทศสอนก็เลยบวชนานแะพระพุทธเจ้าท่านเก่งก็าสามารถทรมานคนทรมานสักได้หมดมีฤทธิ์มีเดชแันนั้นพุโทโธที่เรานึกถึงอยู่เสมอพุโทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจผู้ใดจเจริญได้นึกได้ว่าพุโทโธมันจะดีอะไร ดีมันมีดีในนั้นเอาให้ใจเราสงบระงับอย่าปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสเมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นได้เราก็วางศาสตราอาวุธจิตที่คิดจะฆ่าจะประหารสัตว์และคนก็ไม่มี พระพธธุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นมีจิตเมตตาสงสารมีจิตที่จะช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านก็ไปช่วยอย่างอื่นมากโซนมากท่านช่วยทางจิตใจสอนตรัส บ, บอกให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายภาวนาทําใจให้สงบตั้งมั่น ยาได้หลงได้ลืมในข้อภาวนาผู้บายภาวนากำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจิตใจของตนจึงจะสงบหักเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ใจของเราลงจุดนี้ให้ลนะเมื่อจิตใจไม่ลงจุจดนี้แล้วเป็นจิตใจอันหยาบหยาบชาทาลุ อาจิตยังไม่สลดสังเวชยังไม่เห็นทุกเห็นโทษในการที่มาเกิดแก่เจ็บตาอยู่ในโลกนี้มีเหตุการณ์ให้ฆ่าก็ฆ่าได้จิตอันนี้มันยากมีเหตุการณ์ให้ดุดาว่าไายป้ายชี้ให้คนอื่นก็ทำได้โูษได้คิดร้ายให้แกใครได้หมด นเนเขจิตไม่เห็นธรรมไม่รวมไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไปเห็นแต่สุขมันก็เลยเป็นทุกข์เอมันไม่ใช่จะเป็นสุมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของคนเราเมื่อขาดคนพระคณธรรมในใจมันก็ร้อนในใจ อะไรร่อนก็ไฟลาคะไฟโทสะไฟงัไวไฟกิเลสนี่มันตามไม่ไปทุกภบทุกชาติเหมือนเรามันตามไม่มาทุกคนตั้งแต่อเนกชาต์นับภพนับชาติในส่วนแล้วถ้าเรายังจะในรีบเร่งภาวนาในชาตินี้อีกไฟเหล่านี้มันจะตามไปในภพหน้าภพในอีกต่อไปนับไปชวนอีกเหมือนกัน จึงให้ภาการตั้งอกตั้งใจดับไฟความร้อนเราไม่เสียเหมือนเราดับไฟภายนอกไฟภายนอกนั้นดับง่ายเรียกว่าเอาน้ํามากๆเทเข้าไปก็ดับได้ไม่มีน้ําเอาทายถมเข้าไปมันก็ดับได้แต่ไฟกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเราไม่ภาวนา ไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในแล้วไม่ดับไม่ได้มีแต่จะลกเป็นไฟต่อไปไม่มีคือเส้นชุดพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นทีพึ่งของเราธรรมโมพระธรรมเป็นทีพึ่งของเราสังโภพระสงฆ์เป็นทีพึ่งของเรารวมจิตรวมใจเอาจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นยาได้หวั่นไหว จิตใจผู้รู้อยู่ที่นี้ก็รวมจิตใจเข้ามาสงบระงับอยู่ที่นี้นั่งก็ให้ภาวนาได้พุโทโธในใจยืนก็ให้ภาวนาได้พุโทโธในใจเดินไปไหนมาไหนเดินจมกลมภาวนาก็พุโทโธให้จิตใจอยู่ที่นี้เมื่อเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวถึงเวลาหลับเวลานอนก็ตั้งใจภาวนา ไม่ทอดทุลาเนึกได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้ได้เอาจนจิตใจที่ไม่สงบเปลี่ยนมาเป็นจิตใจสงบตั้งมัน่นบางคนก็สงสัยว่าเนึกพุโทโธพุธโทโธในใจนะเวลาเข้าห้องน้ำเนึกได้หรือได้ยิ่งในห้องน้ำหรือ ย, ยิงแล้วเลิกให้ได้ ล้ะคนเราสมัยนี้ส่วนมากมีอยู่มากเหมือนกันที่ไปล้มไปลื่นในห้องน้ำส่วนมากคนแก่ ก, ก็ดีพระแก่ก็ตามมักจะไปตายในห้องน้ำอุกกาณโมเดินไปมากบลื่นใหญ่ศีรษะนอกกับเพื่อน หินพื้นหินอ่อนนั้นแล้วก็ตาเยอะแยะดว่เข้าห้องน้ำท่านก็ให้ภาวนาได้โยในฐานะใดก็ภาวนาได้ทั้งหมดนั่นแหละแม้ว่าพุโทโธอยู่ในใจพรคนจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้รับความสรรเเริมเยินยอก็ไม่หวั่นไหวไม่ดีใจไปตามเหล่านั้น ได้รับความติเตียนหนิงพาว่าไลาปลายสีให้ก็ไม่ไปเดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นกฎธรรมดาของโลกมีตาก็เห็นโลกมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้ดมกลิ่นมีลิ้นก็ลิ้มรสเรียอาหารรู้รสอาหารมีกายก็รู้จักเย็นร้อนอ่อนแขน็งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความพก อันมีอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้เรเลีกหนีให้พ้นไม่ได้ต้องเอาจิตใจให้พ้นคาว่าเอาจิตใจให้พ้นก็คือจิตใจภาวนาอยู่เกโยน้อมอยู่ถึงคณพระพุทธเจ้าแม่องค์พระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อท่านบําเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ก็เหมือนพวกเราทั้งหลายนี่เมื่อมันยังไม่แก่กละ แต่นี่ธรรมดาพระพุจ้าท่านไม่ท่อถอยท่านไม่หยุดนิ่งท่านทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปจนกระทั่งได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนั่นมันเป็นผลสุดท้ายเราทุกคนก็เหมือนกันต้องตั้งความเกียนความหมั่นความขยันในใจของเราลงไปไม่ว่าวันคืนเดือนปี ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามโลกนามลายใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปหาความแก่ความตราอย่างไรก็ตามเจ็บไข้ใดป่วยก็ให้ภาวนาได้ทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันธรรมเป็นธรรมอันไม่งอนแน่คอนแทกภาวนาอยู่เถิด พุ่งลมหายใจเข้าออกจะเห็นความสงบสุขเยือกเย็นภายในจิตใจของเราทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นและไม่มีอยู่ในที่อื่นด้วยแต่ว่ามีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกโลกทุกานามแต่ถ้าไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาก็ไม่เห็นมีโยนั้นแหละแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจ จึงทำให้ใจของเรานี้สงบระงับตั้งมัน่นจนเห็นแจ้งในหลักธนิตจังทุกขังอนาตตาเอ็มโลกไม่ว่ากายใจตัวตนเราไปถึงไหนก็เห็นสภาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาอยู่เจ็บใจมันก็ถอนออกคลายออกจากอิเล็กต่างๆยอมยังจิตใจของตนของตนให้มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการได ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาหนดจดจำไว้นะักไฮในแล้วนำไป ป, ป, ปฏิบัติเพื่อละกิเลสราคะโทสัตโมหะในจิตใจให้เบาบางหมดขึ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังสแสดงมาก็ต้มโทนด้วยกาลักเอลาเอวังกองีด้วย ก, กาลักนีสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโลกโววินัสสุมาเตภวัตตวันตราโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอควาตนาสิวิสษนิจังวุฒาตจาดีโนจตาโรโธรร ม, มาวทันติ อายุวันโอโังปาลังนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท <thick> ธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <fluor estão> <oses> ุทธัสสะ นาโมตัสสะอาเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่าพาะผู้มีพระภากระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัตนลีได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรม การนั่งสมาธินี้เป็นการสแสดงออกทางลัท า, ายคือว่ากายสแสดงความกล้าหาญจิตใจภายในก็ให้มีความกล้าหาญยกจิตใจให้สูงขึ้นอย่าให้ใจตกไปในอารมณ์ยจต่ำ เราลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจของเรามีความสมงบระงับเย็นสาบายแล้วว่าใจกล้าหารขึ้นมาส่วนร่างกายนั้นท่านให้นั่งขัดสมาธิเสร็จเมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เทียนตรงทำละความว่งเหวงเาเหานอนให้หมดไปสิ้นไปยังใจของตนให้ผ่องแพ้วให้ข่องใสสะอาดจะมีอารมณ์ดีใจเสียใจประการใดก็ตามเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาแล้ว จองทําใจของตนให้ของใสสาอารมณ์สัญญาอันเป็นอดีตอนาคตอดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นเอือนใจของเราให้มีสติสติความระลึกได้ จิตใจที่มีความระลึกได้อยู่เสมอนี่แจิตใจตรงนี้จะมีความตั้งมั่นลงไปภายในอันความท้อแท้ออนแอแห่งจิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่เองธรรมดาของจิตที่มีกิเลสลาคะ ธรรมดาของจิตที่ยังมีกิเลสโสะธรรมดาของจิตที่ยังมีกิเลสโมหะก็าจ้อมดิ้นรนวุ่นวายไปอย่างนั้นเองให้พากันระวังรักษาจิตใจของตัวเองในเวลาฟังธรรมในเวลานั่งสมาธิ จงพยายามเสียสละทุกอย่างทุกกระการออกไปคนอื่นผู้อื่นไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของเราเองทำอย่งไรปฏิบัติอย่างไรภาวนาอย่างไรใจเราจึงจะมีความกล้าหาญสา ม, มารถอาจหารขึ้นมา เพื่อต่อโซ่กับกิเลสในหัวใจของตนให้ได้เพราะว่าเมื่อเข้าพรรษามาถึงเวลานี้ก็นับได้ว่าหมดไปแล้วเดือนหนึ่งยังเหลืออยู่สองเดือนเท่านั้นก็จะออกพรรษาดูกิเลสในหัวใจของเรา มันเบาบางลงไปหรือว่าเพิ่มขึ้นมากิเลสความโปรดความโลภความหลงนั้นถ้ามันเพิ่มขึ้นเราเร่กเร่งทาละแก้ไขไม่ให้กิเลสเหล่านี้เพิ่มขึ้น ม, มีแต่จะให้ลดน้อยถอยลงไปตัดถิ่นลงไปให้มันเด็ดขาด อย่าทำอะไรตามอํนนานาจกิเลสราคะโทสะโมหะอย่าพูดอะไรไปตามอํนนานาจกิเลสราคะโทสะโมหะอย่าได้คิดอะไรเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะทําโพษคิดให้ตั้งจิตให้มัน่นคงไม่ให้หลงไหล รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆแต่ว่าการทำใจการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าปริยัติธรรมอ่านจดจำตามแบบแผนตำนานหรือท่องบนสาทยายเอาอันนี้ให้ชื่อว่าปริยัติธรรม แม้เราฟังอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็เป็นพระปริยัติธรรมเหมือนกันพระปริยัติธรรมนี้เป็นบทบาทที่จะต้องจดจาไว้ว่าอะไรเป็นอะไรปฏิบัติธรรมนั้นทหนหมายถึงเจตใจดวงที่รู้อยู่นี้นะี่ ทำละปล่อยวางเรื่องราวต่างๆอันมันมาเกี่ยวกอกกังวลอยู่ในดวงใจความดีใจความเสียอกเสียใจเหล่านี้ทั้งหมดต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ่งพุทโทพระพุทธเจ้าเป็นทีพึ่นของหลักพุทโอในดวงใจ เมื่อเราไม่นึกไม่เจริญเจริญให้ติดต่อกันก็มาเห็นว่าเรานึกนเล็กน้อยเจริญเล็กน้อยว่าไม่ได้ผลความจริงแล้วอบายธรรมอันใดก็ตามถ้าจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจีเล็ก นึกอันใดเจ้าเลนอันใดก็ร่วนแล้วจะเป็นธรรมีในสัตว์ศาสนาธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทางนั่นพธทอถ้าเรากำหนดให้ดีจนจิตใจมั่นคงไม่หลงไหลพธทอธขันฑ์วล ก็จะหมายถึงการละการตัดกิเลสลาะโทสะโมหะในจิตในใจของตนให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปนั่นเองไม่ได้มีจดหมายอัอื่นเมื่อผู้ภาวนาทาั้งหลายมารู้ได้เข้าใจว่าอันพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์มุ่งหมายเพื่อให้ มนุษย์และเทวดาอินทร์ทองทั้งหลายลบขึ้นภาวนาต่อสู้กระติเรตในหัวใจของตนให้ได้จะสู้ได้ได้ใครชนะก็ในปัจจุบันไม่ให้จิตใจแสสายไปหาที่อื่นให้พวนกระแสะเข้ามาว่าตาเห็นโลกใครเป็นผู้เห็นหูฟังเสียงใครเป็นผู้ฟังจมูกโทษกิน่นใครเป็นผู้รู้สึก เล่นลิ้นลบอาหารใครเก็ฑ์ผู้เล่นผู้หลงสึงเหล่านี้เราจะต้องตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาว่าพุโทโธคุณพระพุธเทธเจ้าโคด้ายลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าเก็ฑ์ผู้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระพุธเทธเจ้าก็คอยตักเตือนอยู่ทุกเวลาเหมือนอย่างนั้น ทีนี้ถ้าทําอะไรจิตใจมันไม่แน่นหนาะถาวรพอมีอารมณ์เรื่องราวอันใดกระทบกระเทือนเข้ามาจิตมันวันไหวคําว่าวันไหวน่ะเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจิตมันก็คลอยมาเจ็บกับรูปร่ปางกายทางครั้งทีโรบร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอะไรธาตุดินน้ำไฟล้ม เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนี้พู้ปฏิบัติภาวานาท่านเกียงให้ตั้งจิตตั้งใจเจริญภาวานาบทใดข้อใดก็สำเร็จลุล่งได้มันอยู่ที่เรียกว่าเราทำจริงไหมเอาจริงไหม มีสติอยู่ทุกลมหายใจไหมมีสมาธิจิตตั้งมั่นทุกลมหายใจไหมมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาฐานภายในจิตใจของเราได้หรือไม่ไม่ได้จิตใจมันไปอยู่ที่ไหนให้เตือนจิตใจดวงนี้ให้มีความล้ำลึกขึ้นมาว่าพุทโธราพุทธเจ้าอยู่ที่กาเดี๋ยวนี้เราได้มารวมอยู่ที่ใจหรือไม่ ไม่มารวมอยู่ที่ใจไปรวมที่ไหนตามดูให้โลในจิตคำว่ากิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวอย่างคนอื่นผู้อื่นนั้นกิเลสก็คือตัวเรานั่นเองตราบใดที่ยังมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราอยู่นั่นก็คือว่าตัวกิเลส กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะทั้งสองกองสามกองนี่แหละก็ละลงในจิตอันเดียวตั้งความเพียรลงในจิตอันเดียวนี้ไม่มีใครจะมาช่วยละช่วยถอนให้ตัวเองต้องละถอนภายในจิตใจของตัวเองคนอื่นจะมาเป็นผู้ทําละแก้ไขให้กันนั้นไม่ได้ โดูแต่คนเราเมื่อเวลาบริโภคอาหารแม้จะเป็นอย่างไรก็ตามใจก็มีความรู้สึกโยในตัวในใจทุกเวลานี่ละพุทธโธอยู่ที่นี้อยู่ที่ใจใจให้โยในคุณพระพุทธจเจ้าเจตจายาได้หลงหลืมขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้ รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆจิตใจนี้ไม่ต้องใครหาที่ไหนมีอยู่ในตัวในใจแล้วเป็นแต่ว่าเราคอยระมัดระวังไม่ให้จิตใจอันนี้ลุ่มหลองมัวเมาไปในที่ต่างๆให้เป็นผู้มีสติล้ำลึกว่าเราภาวนาพุทโธอยู่ภายใน เราภาวนามรณนะกมาถานอยู่ภายในเราตั้งใจตั้งสติได้ทุกเวลาไม่ขาดสติสัมปสัญญาพุทธะคำเก้านี่แหละแต่ว่าจิตใจจะผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่งในธรรมปฏิบัติเธอทำอะไรไม่กับแต่ว่าทำ ต้องทําด้วยมีสติทําด้วยมีสมาธิทําด้วยมีปัญญาผิดโขผูกชั่วดีอย่างใดให้รู้แจ้งด้วยปัญญาในจิตใจนั้นตั้งใจให้อยู่เหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ให้สิ่งทั้งหลายฝูทั้งพวงมาทับถมจิตคนเราเมื่อจีเลตต่างๆมาทับถมจิตแล้ว ก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้จิตใจมันก็ติดแน่นอยู่ในจิตใจนั้นเลิกไม่ได้ละไม่ได้จึงจาเกณฑต้องพิจารณาบ่อยๆกําหนดบ่อยๆเหมือนเรานึกภาวนาพุทธโธนั้นอยู่เนิกบ่อยๆว่า นามในโลกมันไม่เที่ยงนามในโลกเป็นทุกข์นามในโลกไม่ใกลตัวตนของเราตัวเราของเราไม่มีสมมติเขาว่าไปอย่างนั้นเองไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นของของเราอยู่ได้เพราะร่างกายก็ดีจิตใจ ก, ก็ดีถ้าจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตวุ่นวายร่างกายกว็วุ่นวาย วาจาก็วุ่นวายพูดไปตามเรื่องจิต ก, ก็คิดวุ่นวายไปหมดไม่มีความสงบตั้งมัน่นในดวงจิตดวงใจของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกโลกทุกนามจงพาการตื่นขึ้นลุกขึ้นว่าในพรรตนี้มันก็หมดไปเดือนหนึ่งแล้ว ความภาคความเทียงความพยายามในใจของเรามันก้าวขึ้นมาได้หรือไมอ่หรือว่าจมลงไปในทิ่โทนจมลงไปในทิ่โทนนั้นไม่ต้องบอกมันจมไปเองอยู่แล้วบอกให้เราตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจให้ได้ตั้งใจนึกตั้งใ จ, จเจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก ิตใจก็จะได้เข้าอกเข้าใจว่าเราทำได้ปฏิบัติได้แค่นี้เชียงใดต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราเข้ามาภายในภายในก็หมายถือตายร่างกายที่นั่งอยู่นี่กายนี้มันไม่ใช่จะทนทานเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป ย่อมมีความแก่ความชลาต่อไปในอนาคตจักรชราพยาธิมรณะนี่มันบังคับบัญชามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามความแก่ความชลาความเจ็บความไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาใครจะทำดีทำชั่วอะไรความตายนี้ไม่ได้ยกเว้น ทำดีก็ตายได้ทำชั่วก็ถึงเวลาตายก็ตายเวลาจะตายพูดอยู่ก็ตายฟังอยู่ก็ตายนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็ตายนอนอยก็ตายยืนเดินไปมาที่ไหนตายได้ท้งนั้นมารณะกรรมฐานนี้พระพุท ธ, ธเจ้าของเราพระองค์กองท่านสอนให้พุทธสาวกในขั้งพุทธตา สมัยนะั้นให้เนอกถึงคนเรามันประมาทลืมตาเมื่อมันเริ่มตายเข้าใจว่าคนไม่ตายแล้วทำอะไรไปคิดผิดถูกถูกพูดอะไรก็พูดไปตามที่เล็ดในใจเห็นั้นเวลาเราภาวานาทุกครั้งทุกคราวจงทำใจให้สงบตั้งมัน่นพุทโธอยู่ในใจ มะละนานังเมภาวิสตินึกไว้ในดวงใจทําใจของเราให้เป็นดวงเดียวสงบระงับอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาญาได้มีความทอถอยลกขึ้นเตือนขึ้นทุกเวลา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 สัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโลโคโินาศตูมาเตภวัตตวันตรยโยทุกิติสายุโควะวะอาภิวาธนาสีริสนิจังบุญญตตาสกายโนจตารโรธมรมะวรรมสิอายุวันโนโสขังปาลัง